ุ l ah um l a, ah uh. a ah, ah h u ma fakihu fid din wa a ขอความสันติพระเมตตาความจเริญความปราีจาลอสอุบฮานวตายแลประสบแดดพี่น้องที่มาเรียนกุตานทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลวันนี้จะเริ่มอ่านในอายะ ที่138่งร้อยามสิในสุรุลอัลอารอาฟขึ้นต้นอายะวะจาวะสนาบิบานีอิสรออีลัลบาฮ์นะอายะที่138อยู่ในยุสที่9อ่าลำดับสุร์ที่7ก็คือสุร์อัลอารอาฟนะครับ อัลฮั ا ดุลิลลอฮฺอัลฟาติฮฺข้าอาบูบิลลาฮฺะมินะชตนุรบสลลมานรห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 อียาคาน عبد وإياكناستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الص الم <c oughs> الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ولا ضالين. อาเม أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوز ن ا ب بني إسرائيل البحر فَأَتَوْ ع َ على على ل َ ى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ ع َ ل َ ى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى جعلنا إلى كما لهم َ آلها قال إن قوم قوم تجهلون إن هؤلاء ِ م ُ ت َ ب ر م ผูฟีห์ว่บัติลุมมาแกนุยมล قال أ َ غير الله أبجكم َ إله َ ا, إ, أ, أ, إ وهو ََ ف َ ض َ ل َ ك ُ م على العالمين َ و َإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أ ب ن ا َ ك م و يستحيون نساءكم وفي ذلكم بالاء أم ربيكم عظيم อัลฮัมโนดินละอ้ามาดูความหมาย อ่หายใจหายคอให้โล่งนะมาฟังความหมายที่อัลลอสุบหฮานะฮูัตาและได้บอกกับพวกเรายังอยู่ในเรื่องราวของนบีมูซาอลัยฮิสลามนบีมูซาอลัยฮิสลามนะครับมูซาบุตรของอิมรอนนะพ่อในชื่ออิมรอนแต่คนละอิมรอนกับพนังมะยัมนะ คนละคนกันแต่ชื่ออิมรอนเหมือนกันมูซาหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้สัญญาณต่างๆในการช่วยเหลือบนอันิอนะิสรออินนวาจาวัสนาบีบันิอิสรออีลัลบบาฮ์รและเราได้ให้วงวานอิสรออีนข้ามทะเลไปได้ ฟ้าอาตาว่าเล่าเขามียะกูฟูในอาเลอสนามินลาฮุมและพวกเขาก็มาอย่างกลุ่มชนหนึ่งคือเดิมเนี่ยอยู่ฝั่งทะเลแดงอีกฝั่งเดิมฝั่งอียิปต์ตอนนี้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งบิลาดิชามปาเลาสไตน์ปาเลสไตน์ซีเรียจอแดนตรงนั้นน่ะนะพอข้ามมาก็แน่นอนว่าคนละแผ่นดินกัน ปรากฏว่าพอข้ามมาก็ไปเจอกลุ่มชนที่อาศัยอยู่แต่เดิมกลุ่มชนนี้เนี่ยเขาก็ทำการส um ัการะอลาอัสนามินละหุมไปทำการสัการะต่อจเจวิตอัสนามก็คือรูปปั้นจเจวิตกอลูคนเหล่านี้ที่เพิ่งข้ามทะเลแดงมาเนี่ยบดีสร อ, อินบอกว่าไงกอลูโอ นบีมูซาเอ๋ยเอ๋จะอัลลานอิลฮันกมามลาหุมอาลีฮะจงให้มีขึ้นแก่เราด้วยเถิดซึ่งสิ่งที่เป็นการเคารพสักการะองค์หนึ่งเช่นเดียวกับที่พวกเขาทําการสักการะอยู่หลายองค์คือรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเที้ยมีหลายองค์อ่ามีหลายพระเจ้านะเป็นรูปปั้นเป็นอัสนามนะ แต่เขาก็อยากได้หนึ่งเดียวแต่ก็จะขอเป็นรูปปั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะเอารูปปั้นเดียวซึ่งของเราเนี่ยในหลักการศาสนาของเราเนี่ยไม่มีการสักการะต่อมัคคลุกเนะี่เพราะเท่ากันหมดนะแล้วก็แม้กระทั่งคนที่ทําการปั้นขึ้นมาหรือหล่อขึ้นมาเนี่ยก็มาจากคนนั่นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองซะหน่อยอ่าก็คนไปสร้างขึ้นมาแล้วก็ ไปอุปโลกว่าเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษแต่เนื่องจากพวกเขาเนี่ยคุ้นชินกับสภาพของการกราบไหว้เจวตพอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเห็นเขากราบไหว้เหมือนกันอยากจะมีเหมือนกันนะกอละเขากล่าวว่าอ่ากอลูใช่ไหมกอลูยามูซาเนี่ยกอลูยามซาอิจัลลานะอิลลฮันกามาละหุมอาลีฮะ โอมโมซาจงให้มีแก่เราด้วยเถิดซึ่งสิ่งที่เคารพสักการะองค์หนึ่งเช่นเดียวกามาเช่นเดียวกับที่พวกเขามีสิ่งเคารพสักการะอยู่หลายองค์ก็แหละเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยนบีมูซาก่าวกล่าวกับกลุ่มชนของพวกเขาเองว่าอินนะกุมเกามุนตาจฮารูนทั้งเป็นพวกเจ้าเนี่ยช่างเป็นพวกที่โฉดเขาเบาปัญญาเหลือเกินโง่เขามาก ที่ก็ไปขอให้มีการสักการะต่อรูปปั้นหรือว่าจเจว็ตนั่นเองอะตรงนี้เองเนี่ยมีตับซีดบอกเอาไว้ว่าอัลล์ตาแลทรงบอกให้ทราบถึงคำพูดโง่โง่น ะ, ะใช้คำนี้เลยนะคำพูดที่โง่โง่งที่เขาของวงวานอิสราอีนบางคนแก่นบีมูซาเลยฮิสลาม เมื่อพวกเขานั้นข้ามทะเลแดงมานี้จากการตามไล่ล่าของฟิสโอนไปได้แล้วโดยได้เห็นอํานาจของอัลลอฮ์ที่ได้ช่วยเหลือให้เขาปลอดภัยด้วยสายตาของเขาเองแต่เขาเนี่ยก็ยังไปขอให้มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์อีกนักมุฟัสีรีนอธิบายก็คือคนที่ตับซีกุรันนะนะอธิบายบอกว่าชาวที่เขาไปเห็นเนี่ยคือพวกไหนพวกกันอาน เป็นชาวกังอานที่เคารพบูชาจเจวิตนะสมัยนู่นเลยเป็นไม่รู้เหมือนกันชื่อกันอานจะชื่อเดียวเหมือนกับลูกลูกชายนาบีนัวนะกันอานอาจจะคนแล้วยุคสมัยกันอยู่แล้วอ่าใช่หรือบางคนก็บอกว่าเป็นชาวเผ่าชื่อว่าลักษมุนอ่าชาวเผ่าลักมุนอิบนนจารีตได้กล่าวว่าพวกเขากําลังกราบไหว้จเจวิตที่มีรูปร่างเป็นวัวซึ่ง สิ่งนั้นทําให้วงไวอิสลออีนเกิดความเครือบแคลงสงสัยและนําไปสู่การกราบไหว้รูปปั้นวัวในเวลาต่อมาเพราะต่อมาเนี่ยไอซาเิรีก็ทํารูปปั้นวัวขึ้นมาเหมือนกันนะเอ่อทำไมอัลลอฮ์ใช้คําว่าหรือน บ, บีมูซาบอกว่าอินแอกุมเกามุนตะจฮารูนก็คือความโง่เง่าความโฉดเข่าต่อความยิ่งใหญ่ต่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานะ แล้วก็มีมีหะดีสนะครับที่รายงานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยนบีนะนบีมูฮัมหมัดเรานาบีมูฮัมหมัดเราเนี่ยออกเดินทางจากบักกะไปที่หุนีนพร้อมกับท่านรอสู ล, ลุสลลฮวาในอัลซัลลัมใครไปด้วยชื่อว่ า, อ, าอับบีวากิดอัลไลซีอันนี้เป็นซอบ้านนะก็ไปกับ น, นบีปรากฏว่ามีคนที่เพิ่งรับอิสลามมาใหม่ๆก็เดินทางไปด้วย คนพวกนี้เล่าว่าสมัยก่อนพวกกุฟฟาร์พวกทีปฏิเสธศรัทธานเนี่ยมีต้นพุทสาอยู่ต้นหนึ่งพวกเขาเนี่ยจะมานั่งกันอยู่ใต้ต้นพุทสานี้เป็นประจาแล้วก็จะเอาอาวุธของพวกเขาเนี่ยไปแขวนไว้ที่ต้นไม้เพื่อให้อาวุธนั้นเกิดบารากัตเรียกว่าต้นไม้มงคลเพื่อเอาอาวุธเขาไปแขวนปับ๊บอาวุธนี้ก็จะเกิด มงคลที่ได้รับจากต้นไม้ต้นนี้หรือจะออกรบนะก็ต้องมีการเอาต้นเอาเอาวุธเนี่ยไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ก่อนเพื่อให้ให้ให้ได้รับความมงคลบรารกัสจากต้นไม้อ่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องแขวนแล้วเอาต้นไม้มงคลมาปลูกเลยอ่าเดี๋ยวนี้ปลูกเลยต้นละแพงๆอันนี้ความเชื่อเขานะแต่ถ้าเราปลูกอันนี้เราไม่มีความเชื่ออะไรเราปลูกเพื่อจะได้ให้ผลปลูกให้เกิดร่มรื่น อดังนั้นเนี่ยเวลาฉันไปซื้อต้นไม้เนี่ยเขาก็ไม่รู้เราเราเป็นมุสลิมเขาแนะนําเลยโอ้ยต้นนี้เนี่ยปลูกแล้วเจริญเราก็บอกถ้าเจริญเก็บไว้เลยไม่ต้องขายก็ขายแล้วทําไมเอาจริงไหมเอ้ยถ้าเจริญี่ขายทําไมอะ่ะเก็บไว้เลยเขาบอกอ๋อมีเป็สิบต้นละแม้มันเข้าใจแนะนําเราไม่นี่ต้นเงี้ยเจริญมากเลยมงคลแล้วทําไมไม่เก็บเอาไว้เองมาขายทําไมเออแสดงว่าต้องการจะขายใช่ไหม แลมงคลจริงต้องเก็บเอาไว้ยกขายทําไมเอาแหละเขาก็แนะนําตามตามลักษณะของเขายิ่งคนจีนเนี่ยโหชอบเพราะว่าเขามีความเชื่อพวกนี้แต่เราไปซื้อเพื่อจะเอามาปลูกไม่มีอะไรอยู่แล้วถ้าแพงเราก็ไม่ซื้อออันไหนที่ไม่ค่อยมงคลน่ยเอามาให้ฉันเลยเอานั่นแหละพระมันถูกพอมงค์คนปั๊บแพงทันทีออันนี้ความเชื่อของเขาแนวของเราไม่มีนะครับบรอกัตมาจากลอตาล้าเลย ปรากฏว่าพวกเขาก็เดินผ่านต้นพุทสาต้นใหญ่ใบเขียวชะอุ่มท่านและก็เลยบอกกันนบีบอกโอ้ท่านรอซูลททำให้เรามีที่แขวนอาวุธที่เป็นมงคลให้เราหน่อย <c oughs> นึกถึงสมัยก่อนเคยเอาไปแขวนเอาไว้อยากจะมีแขวนบ้างานาบีจึงยกอายะกุรอ่านในซูร้นนี้เลยบอกว่าพวกท่านเนี่ยเคยพูดเหมือนกับที่กลุ่มชนของมูซาเคยพูดกับมูซาอิจาอัลเนาอีลาฮันกมาลฮุมอาลีฮะ แล้วก็ยกเลยกอและอินนากุมเกามุนตาจฮาลุนอินนาฮาอูเลอีแท้จริงกลุ่มชนนี้แหละมุตับบารุมมาฮุมฟีฮิวบาตีลุนแท้จริงกลุ่มชนนี้แหละสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะอยู่นั้นจะถูกทําลายเออจริงไหมอะไรที่เขาสักการะที่เป็นมักลุกเนี่ยสุดท้ายก็สิ้นสลายทั้งหมดมีเฉพาะ ผู้สร้างเท่านั้นแหละที่คงอยู่คงคงทนอ่าเขาเรียกคงเสมออยู่เสมอไม่สูญสลายอ่าพระอาทิตย์สุดท้ายก็สูญสลายดุนยาทั้งหมดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็สูนสลายยกเว้นผู้สร้างก็คือเราตายแหละมุบติรุนมาฟีอ่ามุบตีรุมมาฮุ่มฟีฮิวบาตีรุนนะแล้วก็เป็นสิ่งที่บาติลบาตินหมายถึงไร้ผลเลยไม่มีผลอะไร เป็นสิ่งที่บาเป็นสิ่งที่ผิดมาการูย่มาลูนและสิ่งที่พวกเขานั้นเคยกระทํามาก็บาตินไม่ถูกตอบรับใดๆบาตินก็หมายถึงใช้ไม่ได้ไม่ซ้อไ อ, อาการที่เราไปกราบไหวาาบูช า, จาเจวิตหรือให้จเจวิตเป็นสื่อกลางเนี่ยทําให้อามันเสียหมดเลยถ้าเชื่อดกุรบันถาวายให้กับกูโบด้วยไอกุบอีกูรบันนี้ก็เสียหมดเลยเาลาเราไม่รับเลย นะเสียหายหมดนะครับเดี๋ย ว, ว่าเป็นชีริกต่อลอตาลานั่นเองอ่ะต่อมากอล่ะนบีมูซากล่าวว่าอัอลลอฮ์อื่นจากอัลลอฮ์ก็ น, นั้นหรือนี่จะไปขออะไรอื่นจากอัลลอฮ์ก็ น, นั้นหรืออัลลอฮ์อัอบลออบากีกุมอิลาหา์ที่ฉันจะสแสวงเนี่ยอื่นจากอัลกั น, นั้นหรือที่ฉันจะสแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะ ให้แก่พวกเจ้าวะฮุอะฟดอแลกุหมายละน า, นาละมี ท, ทั้งทั้งที่พระองค์ได้ทรงเทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติในสาก ล, ลโลกเพร่อร้อนเนี่ยยกเกียรติของบันิสรล อ, อินณนะตอนนู้นะนะณปัจจุบันนี้อุมมะของท่านนาบีเราเนี่แหละนะประเสริฐกว่าดีกว่าเพราะตอนนี้บันิสรออินก็เป็นเยฮูดก็ไม่ได้เคารพสักไม่ได้ไม่ได้เชื่อในนบีมุฮัมมัดสะละุสลสลัลฮวาอิลลัม อวยอันใจนากุ้มและจงลํำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าอัลลอฮ์ได้ช่วยมินอาลีฟิราอจากอะไรจากการขู่เข็นจากการทำร้ายของฟิราอักลุ่มชนของฟิร์อ yes um um, ัรายซูมูนากุ้มนะโดยพวกเขาเนี่ยทำการทรมานอันร้าย อ, อันเลวร้ายขู่เข็น นวะสู่อันอาดาบแล้วก็ทรมานอย่างรุนแรงยุกตีลูนาบนาอากุ้มพวกเขาได้ฆ่าบรรดาลูกชายของพวกเจ้าวอยสตาฮิวแนนีซาอากุ้มและก็ได้ไว้ชีวิตลูกผู้หญิงของพวกเจ้าวอรฟีดาลิกุ้ม巴拉ุมมิรบบีกุ้มอัลซิมและในเรื่องนี้ในเรื่องนั้นเนี่ยคือการทดสอบอันสําคัญจากพระผู้บิบาลของเจ้านะอา่าเราช่วยเหลือแล้วให้พ้นจาก ุมชนให้พ้นจากผู้ปกครองที่เลวร้ายที่สุดแต่พอพ้นแล้วหรือมาร์ล Allah, จะไปขออย่างอื่นแล้วนะตรงนี้เองเนี่ยการฆ่าผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเขาทำสงครามอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาจะประหารเนี่ยเขาก็จะประหารผู้ชายเท่านั้นแหละผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะไว้ชีวิตเอาไว้หรือขอขอมา บ, นะบางทีเขาก็เอามาเป็นสืบทอดต่อ อ่าเอามาเป็นที่สืบทอดตระกูลต่อนะแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ไม่เอาไว้เขาจะประหารชีวิตนั้นการฆ่าผู้ชายนี่ก็ถือว่าเป็นการทำลายล้างประชาชาติเลยนะครับเผ่าพันธุ์พอสุดท้ายเนี่ยพอผู้หญิงไปแต่งงานเนี่ยก็จะถูกกลืนด้วยกับผู้ชายอยู่แล้วอ่าไม่เป็นไรค่ะอากาศมันหน้านอนนะเดฉันรับด้วยการหน้านอนไม่เป็นไรอ่า อันนี้อัลลอฮ์เคยเล่ามาแล้วในสูโรบะกรร์เรื่องข่าข่าผู้ชายเอาจําได้ไหมสาเหตุที่ฆ่าลูกผู้ชายทําไมตอนนั้นก่อนที่มูซาจะเกิดอีกตอนนั้นโหรมันทายบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนมีมีเด็กคนหนึ่งโ ต, โตมาจากบันิสโรอีนมาท้าทายอํานาจมาเลยสั่งประหารหมดเลยยึดอานาจกลัวสั่งประหารเด็กหมดเลยอ่าอันนี้เรื่องสมัยก่อนนุ่น อ๋อตอนนี้ยึดเลยอะอ่านต่อสักอีกหนึ่งอายาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องยาวล ะ, ว, ะว่เว่ดนามสะสามสิบนาฬลตวะตม์มะนาบิ عاش ร وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمِي ิข้าวต ر َบِّ ه ِ أ َ ر ْ ب َ ع บ ي ن َ ل َ ي ْ ل َละ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي و أ ْ ل ح ولا ت, ت ตَ أ َามเสบิลลับซิดีนว่าสิ่งวันติดตามเสบิลลับซิดีนว่าแล้วมาจะมูซาลิมีกอِ ن น ا ว่ากล่าวมาหูรับหูกล่าวรับบีอ أ َินُ ر ْ إ ِ ل َ ي ْ ك ก ว่าแล้วตรอนีวَาแล้วกินยุร์อิลล์เِเบลวَาแล้วตรอ ظ ُ ر ْ إ ِลَ ى ก ل น ج َ ب َ ل ِ فَإِنِ บ س ْ ت َอَนَّตَกَร ن َมก ف น س َ و ْ ف َ ت َ ر ตร ن ِี فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ ل ِ ل ْ ج َ ب َ ل ِ ج َ ع َ ل َ ه ُ د َ ك َّ ا وَخَرَمُ و س َ ى ص َ ع ِ ق ً ا فلما أفاق قال سبحانك تب تليك وأنا أول المؤمنين มาดูความหมายนะครับว่าวาอดนามูซาและเราได้ให้สัญญาว่อาอดนาตรงนี้ก็หมายถึงสัญญาเราได้ให้สัญญาแก่มูซาทั้งหมดก็คือมีคำสั่งใช้เนี่ยทั้งหมดซาลาซีเนลัยละสามสิบคืนด้วยกันว่าจมัมนาฮาบิยชริน และเราก็ให้ครบอีกสิบสามสิบก็คือเดือนหนึ่งแล้วก็อีกสิบวันลักษณะเดือนกับสิบวันเนี่ยถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่เขานับอิดดาของสามีตายจําได้ไหมสี่เดือนสิบวันสี่เดือนสิบวั น, ว น, วนอันนี้อันนี้อันนี้สามีตายอย่างเดียว สามียาไม่มีสามียานินต้องนับประจําเดือนหรือสามเดือนถ้าไม่มีประจําเดือนนะแก่แล้วนับสามเดือนไม่นับสี่เดือนนับแค่สามเดือนถ้าหมดประจําเดือนเล้วก็นับตั้งแต่วันยาไปแหละให้ครบสามเดือนครบสามเดือนสามเดือนมปนเท่าไหร่ละเก้าสิบวันเนี่ยเก้าสิบวัน เดือนหนึ่งก็สามสิบวันไงอันนับเต็มเดือนเนาะสามสิบวันก็เท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบวัน อ, อันนี้สี่เดือนเนี่ยบ่อยสิบเท่าไหร่ร้อยี่สิบเยอะนะบ่อยสิบวันครับสามเดือนจ้ะอืไม่ยาแล้ว อ, ลอ๋ออาอยุเยอะแล้ว <laughs> อยู่ไปเหอะ <laughs> โอโหอยู่กันมาขนาดนี้แล้วเอาให้ว่าจากกันโดยการตายดีกว่านะอ๋อ <laughs> อันนี้ต้องขอดูอายเยอะๆต้องขอดูอายเยอะเวลาแก่แล้วอย่าให้เลอะเทอะให้อยู่กับร่องกระรอยได้ไหมอายุเยอะต้องต้องนิ่งเข้าไว้อ่ันนี้ไม่เกี่ยวกับประจำเดือนอะไรนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องดาบีมูซาไปเข้าฝ่าวอัลลอฮ์ตาลา ระยะเวลาที่จากกลุ่มชนของเขาไปนี่ก็คือ40วันไปกับเดือนไปเดือนหนึ่งคือทำไมต้องนับให้มันยากทำไมไม่นับ40วันก็คือคขานับเดือนหนึ่งไง30วันก็คือเดือนหนึ่งแล้วบ่อยสิบเดือนกับสิบวันพอสมัยก่อนเวลานับเขานับเป็นเดือนๆ อ, อะไรอย่างนี้ครับจะได้ง่ายฟะอัตมามีกอตูรบบีฮอบอินะไลละ จนกระทั่งครบทั้งหมดก็คือสี่สิบคืนด้วยกันแค่สี่สิบคืนเองวอกอล่มูซาลีอาคีก่อนจะไปเนี่ยต้องสั่งเสียก่อนก็สั่งแกน้องชายก็คือฮารูนเออพี่ชายเออพี่ชายพี่ชายไม่ใช่น้องชายพี่ชายก็คือฮารูนนัคลุฟนี นะให้ทําหน้าที่แทนฉันฟรีเกามีในกลุ่มชนของฉันอ่าให้ดูแลคิดดูนะนบันิสรออีนเนี่ยต้องใช้สองคนนะคนเดียวไม่เอาไม่อยู่ต้องมีทั้งนบีนบีมูซาแล้วก็นบีฮารูนช่วยกันเลยเพราะว่าต้องสองคนช่วยกันนะไม่ธรรมดาความดื้อของบันิสรออีนเนี่ยความที่มันดือ้อวะอัสลิ แปลว่าปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงซะวลาตะตตเบียแล้วก็อย่าได้ไปปฏิบัติตามซบีนแปลว่าแนวทางมุฟซีดีนแนวทางของคนชั่วอ่าบรรดานักอธิบายอัลกุรอานบอกว่านาบีมูซาถือสินอดจนครบและเมื่อครบกำหนดเวลาก็ได้แปลงฟันด้วยกับกิ่งไม้ไม้ซีวก แล้วอัลลอฮ์ก็ใช้เขาเนี่ยทำอีกสิบคืนรวมเป็นสี่สิบคืนจนกระทั่งครบสมบูรณ์แล้วก็สั่งให้มุ่งตรงไปที่ภูเขาตูรภูเขาตูรนะซึ่งอยู่ในอาญาในสุรตัตหาและในขณะที่นบีมูซาได้มอบหมายให้นบีฮารูนเนี่ยให้เป็นผู้ดูแลชาย อ, อิสอานก็สั่งเสียให้ทำดีด้วยอย่าได้ทำสิ่งไม่ดี และถือเป็นการเตือนโดยทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วนบีฮารุนก็เป็นคนดีขอรอไม่ได้หมายความว่านาบีฮารุนเนี่ยทำไม่ดีนะอ่าการสั่งอะไรให้ทําความดีนะไม่ได้แปลว่าเราต้องชั่วนะเหมือนก็เป็นการสั่งเอาไว้เป็นการกระชับแต่สมมุติผมสั่งบอกเออลูกให้ทำกันบ้านเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกไม่เคยทํากันบ้านเขาอาจจะทำตลอดเด่นแหละแค่สั่งกําชับเฉยอ่าคือการสั่งมันยังมีสองแบบสั่งจากคนไม่ทํกากระสั่งเขาทําอยู่แล้วแต่ก็สั่ง เมือนนบีไปปลุกไปปลุกลูกสาวอะถามว่าลูกสาวจะขึ้นไม่ขึ้นละหมาดเหรอระดับท่านหญิงฟัดีมาเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วท่านอาลีเนี้ยไม่ละหมาดเหรอแต่เป็นการกำชับอะนะแล้วก็เสร็จแล้วพอไปถึงละฟัล ม, มาจาอาโมซาและเมื่อ น, นบีมาถึงตามอาจันตรงนี้ก็หมายถึงตามกําหนดเวลาวัล ม, มาจาแปลว่ามา มูซาลีมีกอร์ตีนามีกอตรงนี้แปลว่าสถานที่และกําหนดเวลามีกอนี่มีสองความหมายนะมีกอรแต่ที่เราไปเหงียดกันเนี่ยมีกอรเรียกเขาเรียกมีกอรมาการก็คือสถานที่มีกอรีกประเภทหนึ่งเขาเรียกมีกอรจามานคือมีกอรเรื่องของเวลาอ่าอย่างจะไปอุกุบเนี่ยไปอุกุบวันอื่นไม่ได้ต้องอุกูบวันวันอุกุบเท่านั้นเขาเรียกมีกอรที่เป็นเวลาอันนี้ทั้งเวลาเลยก็คือครบสี่สิบวันแล้วก็สถานที่ก็คือภูเขาตู และเมื่อมูซาได้มาถึงกําหนดเวลาของเราและพระผู้อภิบาลของเขาได้ตรัสกับเขาอผู้ที่อัลลอฮ์สนทนาด้วยมีอยู่นบีเนี่ยมีนบีมูซาแล้วก็นบีมูฮัมหมัดเราเร า, า ม, มีมูฮัมหมัดเราก็ตอนขึ้นไปรับวะฮีเรื่องละหมาดไอ้ที่เหลือนี่ผ่านญิบรีนเนี่ยคุยตรงๆกับอัลลอฮ์เนี่ยมีแค่นบีมูซากับนบีมุฮัมหมัดของเรานะ แล้วก็น บ, บีอะดมตอนสร้างอันนั้นแน่นอนตอนสร้างเลยแล้วก็ต่อมากอลารอบบีอารีนีน บ, บีมูซาบอกว่าโอ้พระผู้บรบาลของฉันโปรดให้ฉันอารีนีให้ฉันเห็นหน่อยอยากจะเห็นอัลลอฮ์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะอยากเห็นอัลลอฮ์เลยอันซุรอิเลียฉันต้องการที่จะมองดูพระองค์ อ้อัลลอฮฺตาว่ากอลารันตารีพระองค์ทรงตัดว่าเจ้าเห็นข้าไม่ได้เป็นอันขาดคําว่าลันตรงนี้เป็นการปฏิเสธแบบไม่ตลอดการเป็นการปฏิเสธช่วงระยะเวลาหนึง่งภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีคําว่าลันกะลำทลร์มนี่แปลว่าปฏิเสธเลยไม่มีทางเลยลำเนี่ยแต่ถ้าลันนี่คือปฏิเสธมีระยะเวลานั่นหมายความว่าการที่นบีมูซาไม่ได้เห็นอลัลลอฮฺเนี่ยไม่ได้เห็นตลอดไป แค่ตอนที่อยู่ในดุนยาเท่านั้นแต่พอเมื่อตายไปเล้วเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นอัลลอฮ์อัลลอ์จะให้เห็นลันตรงนี้นะตารนีวะเลกีนิมวะเลกินอุนซุอีลันจาบันเห็นข้าไม่เห็นข้าไม่ได้เป็นขาดแต่ถ้าว่าเจ้าจมมองไปที่ภูเขานั้นเถิดซึ่งเป็นภูเขาใหญ่โตมหงลานเป็นภูเขาหินแข็งแข่ง ฟาอินิสตะกอร์มาแกนาหูฟาซาฟาตอโรนีถ้าหากมันมั่นคงอยู่หนะ้าที่ของมันแปลว่ามันไม่มีศูนย์สลายนะ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมเจ้าก็จะเห็นข่าเจ้าก็จะเห็นค้าให้มองไปที่ภูเขาอ่าฟาลัมมาครั้นเมื่อแต่จันลาโร บ, บ, บูลิจบาลครั้นเมื่อพระองค์ทรงได้ปรากฏที่ภูเขานั้น อยมีอธิบายหมดเลยปรากฏแบบไหนอย่างไรก็ทําให้ยาห์เลหูดกาอโลทําให้มันทลายลงลาบเรียบไปหมดเลยศูนย์สลายหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของลอสุบะฮันตองหัวตาลานะวะคอรมูซาซ้อยกอมูซานี่ถึงขั้นสลบหมดสติไปเลยนะเห็นปั๊บนี่สลบไปเลยหมดสติไปฟารัมมาอาฟาก็แล้เมื่อฟื้นขึ้นมา กอละซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ตาลาตุบะตุฉันขอรู้แก่โทษต่อพระองค์นะอิไลกะแก่พระองค์ว่าอานะอัววลุมุมินีและฉันนั้นคือคนแรกในหมู่บรรดาศรัทธาทั้งหลายในบันิสรออิลคืออย่างนี้นบีมูซาเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องถ้าจำได้ในสุรอุบกอรอ อยากจะเห็นว่ามนุษย์ฟื้นคืนชีพยังไงแล้วเราก็ทำให้เห็นนะโดยการที่ให้นบีมูซาลเอานกมากี่ตัวไม่รู้สับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไๆไๆๆๆ้ๆๆอๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆะๆรๆๆอๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆนๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆกๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปวางไว้บนภูเขาอันนี้เรื่องหนึ่งอยากใจเห็นเอาล่ะเอาล่ะบอกไม่ได้เห็นไม่ได้ไปดูสิมองไปที่ภูเขาภูเขาพังสลายเลยดักกากลายเป็นละเอียดเลยตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้หมายว่านาบีมูซาเรานี่ไม่ศรัทธาต่อเราเนะี่ยไม่ใช่แต่การขอแบบนี้เป็นการขอให้หัวใจเนี่ยมันมั่นคง อ่าซึ่งแน่นอนก็เป็นเป็นเรื่องของนบีมูซาซึ่งพวกเราจะไปขอแบบนบีมูซาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วอ่าเพราะเราไม่ได้มีมุ่งมิจาตมีอะไรนะอ่าต่อมาเอ่อมีรายงานว่าเราเนี่ยจะได้เห็นอัลลอฮ์ตอนที่เราตายไปแล้วดังที่มีในสุรษะอัลกียมะอัลลอฮ์บอกว่าอูจูฮิยาะมะอีดินนาบีรออีลารอบบิฮานาบีรอในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบาน จ้องมองไปยังพระผู้วริบาลของมันนะมองไปที่อัลลอฮ์ตาลาในคำพีก่อนได้ระบุเอาไว้ในหนังสือบิดายะวนเนียนิฮายะยามูซาอินนาฮูลาตารนีฮัตตาอิลลามาตใหยุนอิลลามาตโอ้มูซาความจริงเจ้าจะไม่เห็นข้าโดยที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากตายไปแลว้ว ค ำ, คำว่าฟารัมมาตาจัลลาโรบบูฮูลินจาบัลแปลว่าอะไรครั้นเมื่อพระองค์ได้ได้ปรากฏที่ภูเขาเนี่ยแปลว่าไงอิหมัมอัมัดได้ไรายงานในเนังสือมุสนัตของเขาจากอันนัสบินมาลิกจากท่านนาบีเกี่ยวกับดํารัสของอัลลอฮ์ตายและที่บอกว่าฟารัมมาตาจัลลาโร บ, บูฮูลินจาบัลเขาได้เล่า ว, ว่าท่านได้กล่าวว่าเพียงเท่านั้นหมายถึงเพียงมุมนิ้วก้อย ออกมาเท่านั้นมุมนิ้วก้อยคืออย่างนี้พวกเราเองเนี่ยเวลาจะเปรียบเทียบอะไรที่มันเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะทําสั ญ, ญลักษณ์แบบนิดเดียวกับนิ้วก้อยเนี่ยนิดเดีย ว, ดดยวอ่าคือเป็นการเปรียบเทียบนะเดี๋ยวจะไปเทียบว่าอัลลอฮ์มีอ ว, วัอยวงอวียะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการตัดเชือบีอัลลอฮ์เป็นเหมือนมะขลุกไม่ได้อันนี้แต่ว่านิ้วก้อยเนี่ยเป็นการบอกถึงปริมาณที่นิดเดียวเล็กน้อยมาก อ่าฉันก็ไม่รู้มีอะไรเล็กกว่านิ้วก้อยนะ<笑>เออนิ้วก้อย เ, เล็กนิดเดียวอ่าตัวอย่างอีกอันหนึง่งเช่นเดียวกันกับอันหากิมได้ไรายงานในฮะดีส ท, ที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือมุสตาดร็อกสายรายงานจากฮามมาดอิบนヌสลามะบอกว่าฮะดีสนี้เป็นฮะดีสสาฮิย์นะตามเงื่อไขของมามุสลิมอัสซุดดีไดกลาว่าอิกริมาแล้วก็จากอิบヌอับบาสบอกว่าฟลมมาัลลามาตาจัลรอบบูฮูลินจาบัน ไม่ได้เผยอะไรออกมานอกจากปริมาณเท่ากับนิ้วก้อยนิดเดียวเผยมันได้แค่นั้นแหละนิดเดียวเท่านั้นไม่ท่านได้เห็นนะลรอกนะยจาลาฮูด ก, กาเขาก็ได้กลายคราวนี้เขาเขาได้กล่าวว่ามันก็ทลายลงเป็นดินเลยจากเขาที่ใหญ่เป็นหินแข็งตะ ง, งานกลายเป็นเป็นดินสูญสลายไปเลยและมูซาก็สลบหมดสติไป อ่าคราวนี้ก็มีเรื่องเถียงกันอีกแล้วเถียงกันในหมู่ของของอคนที่ปฏิบัติตามน า, นานบีต่างๆคือสมัยท่านนาบีมูฮัมหมัดปรากฏว่ามีรายงานจากอบูฮุไรรอ์อบูสัีดอับูอัอบูฮุไรร์บอกว่า จะอารอจุลุนมีนันยาุดปรากฏว่ามีคนยิวคนหนึ่งมาหานาบีใบหน้านี่ปูดไปเลยเพราะโดนตบมาใบห น, น้าปูดไปเลยนะก็มาบอกว่าโอ้โมฮัมหมัดเนี่ยเขาไม่เรียกนาบีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถือนาบีเป็นนาบีเขาเรียกชื่อมูฮัมหมัดแต่ตอนนั้นนาบีโมฮัมหมัดเป็นผู้ปกครองที่เมืองมบดีนะก็ต้องมาหาผู้ปกครองก็บอกโอ้โมฮัมห uh มัดเทจริงชาวอันซอดคนหนึ่งเนี่ยตบฉันตบหน้าฉันหน้าปูดเลย น บ, บีก็เรียกชาวอันซอดคนนั้นมาบอกว่าไปทําเขาหรือเปล่าพวกท่านจงไปเรียกเขามาซิอ่าก็เรียกมาพอเรียกมาก็ถามว่ามีอะไรเหรอทํำไมถึงไปตบหน้ า, ายาฮูดเขาเขาบอกว่าโอ้ท่านรอซูลครับนี่คนอันซอดนะมุสลิมเราฉันได้ผ่านไปที่ยาฮูดคนหนึ่งฉันได้ยินเขากล่าวว่ามูซาเนี่ยถูกคัดเลือกเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายเลย เขาก็เลยถามกลับไปว่าแม้กระทั่งมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดของเราเหรออ่าปรากฏว่าเขาบอกใช่แม้กระทั่งนบีมูฮัมหมัดนี่ก็ยังสู้นบีมูซาเขาไม่ได้ก็ไม่แปลกเพราะว่ายิวเขาก็นับถือนบีมูซาไหมปรากฏว่าฉันก็โกรธหน้านี่เปลี่ยนสีแล้วก็ตบไปที่หน้ า, าทีนึงมาว่านาบีเราอ่าจริงจะ่คือเอ่อมาบอกว่านาบีเราเนี่ยประเสริญน้อยกว่านาบีมูซา นบีจึงกล่าวว่าพวกท่านจงอย่าได้กล่าวว่าฉันดีกว่าคนอื่นๆนี่คือความถ่อมตนของนบีนะเออคือนบีจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ประเสริฐสีกว่าใครแต่จริงนบีน่ยประเสริฐกว่านะแต่ตัวท่านเองอ่ะบอกว่าอย่าได้ยกตัวท่านเนี่ยเหนือกว่านบีท่านอื่นแต่ถามว่าคนอื่นเขาบอกว่าไงโอ้นบีมอมัตนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ตัวท่านเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนบอกอย่าไปยกนะ ว่าฉันเหนือกว่ามูซ า, เ ห, าหเหนือกว่านู่นอยู่นี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในวันกียรมัตเนี่ยทุกอย่างจะทําให้สลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เพรากฏว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ฟื้นขึ้นมาเป็นคนแรกแต่พอหันไปมองปั๊บเนี่ยไปเจอนบีมูซากําลังจับเสาต้นหนึ่งของบันลังของรถเอาไว้ฉันเลยไม่ทราบว่านาบีมูซาเนี่ยฟื้นมาก่อนฉันหรืออาจจะไม่เคยสลบไปเลยเพราะเคยสลบมาแล้วรอบหนึ่งสมัยตอนที่ไปไปรับบว่วฮีก็เลยไม่ได้สลบ อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บันทึกเอาไว้นะนั้นก่อนนบีจะเสียเนี่ยพี่น้องรู้ไหมก่อนนบีจะเสียประมาณสิกว่าวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนบีไปกล่าวคุตบะคุตบะนี่ไม่ใช่ละหมาดนะเรียกรวมตัวกันแล้วก็กล่าวบอกว่าหนึ่งอย่าทําสุสานชั้นอย่าทําสุสานชั้นเหมือนกับพวกนบีก่อนๆคืออะไรเอาตัวฉันเนี่ยไปฝังเอาไว้ในสุรา เ อ, ออย่าทำกูโบฉันให้เป็นสุรางงไหมเพราะว่าคนนสอร์เนี่ยเขาจะฝังบาดหลวงหรือฝังคนที่เขานถือไว้ในในโบสเลยใต้โบสเนี่ยจะเป็นเป็นที่ฝังศพเออเป็นหลุมของอัศวินเขาฝังแต่อิสลามบอกไม่ใช่จะดีขนาดไหนก็ห้ามฝังในกูฝังในสุเราต้องไปฝังที่กูโบอ่าแต่ท่านนาบนะีฝังที่บ้านของท่านนะครับ แล้วก็ห้ามทํานู่นห้ามทํานี่ห้ามยกจนกระทั่งเลยเถิดอ่าแล้วก็รวมถึงกันน่าจะจัดวันเกิดด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> ห้ามทำอ่ะเหมือนนศรรเขาทําอะไรบ้างละ่ะจัดบงกงวันเกิดจัดนู่นจัดนี่จัดอะไรเลอะเทอะที่มันเกินกว่าที่นบีเราห้ามเอาไว้แต่สิ่งที่นบีพยายามให้เราทําก็คือปฏิบัติตามแบบของท่านนาบีให้มากที่สุดรักฉันต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของฉัน อ่บางคนเนี่ยรักนบีสกีนเสื้อแต่ละหมาดไม่ค่อยเอางงงงโอ้ยรักนบีดิตโตบเบอร์อะไรใส่สกินฉันอุมมนานบีมูฮัมหมัดโอ้ยฉันเป็นอุมมาไม่เคยละหมาดเลยรักผมรักนบีประเภทไหนออย่ารักนบีอย่างงี้รักโดยการปฏิบัติไม่ใช่รักโดยการพูดอย่างเดียวนะเหมือนกับนี่ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันสรุปถามว่านาบีไหนประเสริฐที่สุดนบีมูฮัมหมัดครับ บาดเจอที่สุดรองลงมาก็ไม่ใช่นบีมูซานะอันดับสองใครรู้ไหมนบีบรอฮีมอ่นานบีบรอฮิมนะรองลงมาจากนาบีมุฮัมมัดรองลงมาจากนาบีบรอฮิมก็นาบีมูซาและที่เหลือก็เท่าเทกันอ่าสมอันดับเนี่ยนบีมุฮัมมัดนบีบรอฮิมแล้วก็นาบีมูซามูซาอยู่อันดับสามอ่าแต่ก็ไม่ได้ให้เราไปไปไ ป, ไปข่มใครไม่เราเชื่อของเราแบบนี้อ่า แต่นมุสลิมเราก็ต้องบอกว่าน บ, บีมูฮัมหมัดเราที่สุดแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะบัญญัติของน บ, บีมูฮัมหมัดเนี่ยคือบัญญัติสุดท้ายนะครับอ่ ะ, อ, ะอ่านต่อนะกอเลยาโมเซอินนิสตอฟัยตุกะอัลันนาสิบิริซาลาตีวะบิกะลามี مَا ุ ت َมาอาตَ و ตُุแْ م ِุม ا ม ش َน ا ك ِกิริน وَكَتَبْنَاهُ ل َ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فخذها ب ق و ة ي ومرقاك يخذو بأحسنها. เสอริกุมดาร์ลฟาซิคินِสอริกَุดาร์ลฟาซิคินเศรษฐีฟ ا อَّ ذ ِย ن ต ي َ ت ล ك َ ب ีّ ر ยต ن َบِร ا นْ أ ฟ ر ْอา ب ِดีบْ ر ِร ل ْ ح َกِّ فأَسْرِقُوا َ ن آ ي َ ا ت ََ ا ل َِّ ي ن ي َ ت َ ك َ ب َّ ر ُ و ن فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ ب غ َ ي ر ا ل ْ ح َ ق و َ إ ِ ي َّ ا ك ُ ل َ آيَةٍ ل َ ا ي ُ م ِ ن ُ ا بِهَا وَإِيَّا رَوُسَ بِلَالْرُّشْدِ لَا يَتَخِذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رَوُسَ ب ِ ل َ ا ل َْ ي ِّ แท้จริงแล้ว والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ฮัลยุจเจ้าหน้าอิลลามะคานูยะมะลุนอ่ามาดูนะก็แหละอ่าตอนนี้ก็คือไปรับวะฮีรับบัญชาเจ้าลอรับบัญญัติเจ้าลอ พระองค์ได้ตรัสว่ายามูซาอินนิสตฟายตูกาเลนเนสข้าได้เลือกเจ้าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายนะคำว่ามุสตอฟาก็คือผู้ที่ถูกคัดคัดเลือกคัดสรรเออการคัดเลือกเนี่ยแปลว่าจะต้องได้สิ่งที่อะไรสิ่งที่ดีที่สุดถูกมอ่าเพราะการคัดเลือกเนี่ย มันเป็นกระบวนการในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยบางคนเกิดมาเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ตายเป็นมุสลิม <c oughs> ก็ผ่านกระบวนการคัดสรรมาเร็วไงอ่ามันมีนะคนที่ออกจากศาสนาไป <c oughs> แต่ขอสังเกต ของคนที่ออกจากศาสนาไปก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมอ่ามีมาฟนะมันมีกระเทยแถวใต้ประกาศออกตอนนี้กินหมูแล้วไม่เป็นมุสลิมแล้วประกาศออกเฟซเลยคนก็แชร์กันบอกว่าโหเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนออกจากอิสลามมีนะแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่แปลกหรอกก็ออกไปก็ดีแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะดูสภาพดูแล้วมันก็ไม่ค่อยปฏิบัติอยู่แล้ว เป็นผู้เป็นกระเทยเลยทำนมทำอะไรหมดเลยอยู่ที่ตายประกาศเลยตอนนี้กินหมูแล้วเพราะว่าหนูเป็นศาสนาอื่นแล้วแต่ครันี้ตรงกันข้ามคนที่กมารับอิสลามเนี่ยลองไปดูสิจริงๆไอออกกัเยอะแต่ว่าไม่มีข่าวเท่าไหร่ออกกัเยอะแต่ไม่ค่อยมีข่าวแต่คนเข้าเนี่ยมันเป็นกระแสเพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไงบางคนนี่สักมาเลยแล้วก็มาเปลี่ยน มีครอบครัวที่เป็นท ร, รมาชีพทรงเจ้ามารับอิสลามบางคนเนี่ยรับอิสลามเพราะเรื่องผีเพราะไปศึกษาเรื่องผีในอิสลามโอ้ยเจอเลยขอ้อแตกต่างงงไปหมดไม่รู้ตรงน้องเป็นอะไรผีไหนเป็นญาติตัวเองงงไปหมดมาเยี่ยมบ้านเนี่ยไม่รู้ผีไหนญาติแดนี่เขาบอกอกงอันนี้บอกผี อ, อแล้วคิดดูสิอกงเนี่ยจะมาทําร้ายคนในบ้านทำไมสักเป็นญาติเรา <c oughs> ก็เลยมาศึกษา ว่าอิสลามมีเรื่องผีไหมเรื่องวิญญาณไหมพอมาศึกษาก็ถึงบางอ้อ ก, ก็เลยรับอิสลามดังนั้นเลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าใครมุสลิมได้หมดนะมันก็ต้องถูกการฝึกฝนใช่ไหมละหมาดครบห้าเวลาต้องไม่กินเหล้าเมายาไม่ทาตัวเละเทะแน่นอนคุณจะเป็นมุสลิมที่ดีได้ อ, อแต่บางคนหนักกว่านั้นไม่เอาอะไรเลยก็ออกไปเพราะต้องการอิสระเสรีอยากจะแต่งตัวโปโปอา้าวคุณว่ากันไป อ่อันนี้หมายถึงคนที่ฝ่าฝืนแล้วไม่อยากจะถูกว่าไงก็เลยประกาศตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่แล้วเพราะว่าถ้าคนเป็นมุสลิมเนี่ยคุณจะถูกตักเตือนเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกดังนั้นแม้กระทั่งคนที่เป็นดบีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะเป็นก็เป็นได้นะ่ะแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงคัดเลือกคัดสรรมาแล้วอ่าบางคนบอกโอ้โ oh, หนบีมูฮัมมัดดีจังเลย เอาลอปบ้องจากบาปก็เอาลอคัดเลือกมาแล้วไงในบรรดาคนที่ดีที่สุดเนี่ยนบีมูหัตอันดับหนึ่งถูกคัดมาแล้วอินนิสตไฟตูกะเช่นเดียวกับนบีมูซานาบีมูซาก็ถูกคัดเลือกมาเหมือนกันอัาลลอฮ์ได้เลือกเจ้าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายด้วยกับบีดิซาแลตีด้วยกับด้วยกับอะไรด้วยกับศาลนาบีมูซานี่มีทั้งเตาร้อนเนี่ยแล้วก็มีซูฮุฟซูฮุฟ บันทึกบันทึกซูฟูซูฮูฟี อ, อิบรอฮีวามูซาซูฮูฟอ่าแล้วก็มีอัลวะเนี่ยเดียเจได้อ เ, เรียนมีอัลวะด้วยอัลวะแปลว่าบันทึกคำภีซูฮูฟแล้วก็อัลวะสามอย่างอ่ะอ๋อแต่เราจะได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดคืออินจีนทั้งหมดไอ้ขอโทษดิคือเตาร้อนทั้งหมดหนั่นแหละแต่เป็นส่วนๆรับมาเป็นส่วนๆรวมไปเรื่องมันคืออินจีน เข้าใจไหมตอนแต่ตอนรับเนี่ยมันไม่มันก็มาเป็นเป็นแผ่นมาบ้างไเนี่ยเดี๋ยวบอกเป็นแผ่นมาอันรัวเนี่ยเหมือนเป็นกระดานเนี่ยเป็นจารึกมาทําจากพิษนะเดี๋ยวอโลอให้เนี่ยแต่ของนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยใช้ว่ากุรานใช่ไหมอ่ากุรานก็คือมาเป็นรวมจนกระทั่งเป็นเล่มเรียกว่ามุสทัอ่าบันทึกมาแล้วก็เป็นเป็นเล่มแต่มนุษย์จะมาเขียนน่ะจากคําพูดของลอ แก็เป็นเป็นกุรานแต่ทอยอยรับมาแต่นบีหลายๆเนี่ยจะรับมาแบบทีเดียวเลยบัญญัติสิบประการคร บ, บเลยสิบนะแต่ถามว่าในรายละเอียดมีไหมก็เป็ น, นำคำพีเร่มใหญ่ก็คือเอาตารอ้อหรลยคำพีโตรานะครับวันก่อนผมไปตรงบาลโรงพยาบาลหนองจอกนี้แหละมีกระบะอยู่วันหนึ่งแจกไบเบลิล เราก็เขียนเลยว่าพันธะสัญญาใหม่ฉันเลยหยิบมัน ไ, ไ, ไม่หนานิดเดียวเองแต่ยังไม่ทันอ่านเท่าไหรเพราะว่าตัวมันเล็กบทเริ่มด้วยเม็ทิวมีเมทิวมีอะไรเม่ผมก็ไม่รู้เอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเล่มนิดเดียวเองไม่ได้หนามากฉันก็ไม่รู้นะทั้งหมดหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาเอามาแจกโรงพยาบาลหนองจอกดงมุสลิมแต่มีไบเบิลแจกไม่ริลคุรานถูกแจกตรงไหนบ้างไม่รู้นะเออฉันนึกบอกว่าเออไอ เป็นภาษาเป็นเป็นเป็นภาษาไทยหมดเลยจ้ะไม่มีภาษาต้นเลยไม่มีภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาไทยหมดเลยเหมือนกับแปลมาแล้วอะ่ะอ่านเลยอ่านเลยอ่านเหมือนเป็นภาษาไทยอ่านอย่างเดียวเนี่ยไม่มีตัวภาษาอังกฤษไม่มีตัวภาษาอ <ST>. ังกฤษด้วยเล่มไม่หนามากนิดเดียวมีกี่บทฉันก็ไม่รู้พันธสัญญาใหม่มีเมทิวมีอะไรไม่รู้ไม่เยอะนิดเดียวว่าเรื่องเรื่องที่มาของนบีอีซาบุตรของใครของใคร ยันไม่ทันหยิบมาไงก็เลยหยิบมาแล้วแหละแต่วางลืมไว้ไหนไม่รู้เอ่อ่ะแต่ฉันอ่านกูอ่านพอแล้วไม่ไปอ่านอย่างอื่นหรอกไป อ, อ่านกันนู้นนะมันปนไปหมดแล้วนั่นกูจอ่านของแท้ดีกว่าอา้าวว่าวบีกลามีแล้วก็ด้วยกับการพูดสนทนาอ่าด้วยถ้อยคําของข้าด้วยกับถ้อยคําของข้ากาลามีฟักุซมาอาไตตตกะวากวุมมินาชากิริน ดังนั้นเจ้าจงยึดถือสิ่ง <c oughs> ที่ข้าได้ให้แก่เจ้าและจงเป็นผู้ที่ชากรินชากรินแปลว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือกาตันยูรู้คุณ่ขอบคุณอัลลอฮแสดงถึงการเป็นผู้ที่กาตันยูรู้คุณต่ออัลลออ่านต่อนะวกาตาบานาลาหูฟิลอัลัวเนีงและเราได้บันทึกคำตักเตือน ทุกคน ท, أ, ทุกสิ่งและเราได้บันทึกคําตักเตือนทุกสิ่งมินกุลลีชัยอินเมา อ, อีสอตันวัตับศีลาลีกุลลีชัยอินและเราได้บันทึกคําตักเตือนทุกสิ่งและแจกแจงทุกอย่างไว้ให้แก่ขาวในบันทึกในแผ่นจารึกอันว่าแปลว่าแผ่นจารึกดังนั้นเจ้าจงยึดถือมันไว้ด้วยกับความบีกัวด้วยกับ ความเข้มแข็งอ่าและทำไงต่อวะมุดเกามากะาและก็เอาไปใช้ด้วยเอาไปสั่งใช้กับพวกพ้องของเจ้าเทินพวกเขาก็จะยึดสิ่งที่ดีที่สุดของมันอ่าก็จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดของมันซอูรีกุ้มดารอนฟาสิกรีนและข้าจะให้เจ้าเห็นถึงคนที่ ทำชั่วทั้งหลายาแปลว่าของดีเนี่ยพอเอาไปให้ปับ๊บคนดีก็จะรับเอาไว้ไอ้คนไม่ดีเอาไหมไม่เอาก็จะเห็นเลยกุฎ <c oughs> านก็มาแยกไงคนดีก็ปฏิบัติตามกุรานคนชั่วก็ปฏิเสธกุรานก็ตามนั้นามาดูคำว่าอัลวาดิหนึ่งนะบางท่านกล่าวว่าอัลวาคือแผ่นจารึกที่อัลลอ์ได้ประทานให้แก่มูซาเป็นจารึก ก่อนคำพีเตารอรอดอวัน ล, นล็อกว้าลำซุบยานบินอุยยนะบอกว่าอิกิริมาบอกว่าทรงให้มูซายึดปฏิบัติตามบัญญัติให้เข้มงวดที่สุดในบรรดาสิ่งที่กลุ่มชนได้ถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติอัลลอฮ์ทรงบันทึกทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำและรายละเอียดต่างๆไว้ในจารึกแล้วกล่าวกันว่าบันทึกนี้ทาด้วยเพชร บันทึกนี่นะทาด้วยเพชรและแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกแก่เขาและคำเตือนและข้อชี้ารรายละเอียดเอาไว้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นที่อนุมัติและเป็นข้อห้ามนะและแผ่นจารึกนี้เนี่ยคุมไปถึงคำภีเตารอดด้วยอันนี้วัลอฮวาลัมมีอัลวาดะและก็มีเตอร์อดและก็ซูฮุฟเนี่ยสามอย่าง อ่หลหล เ, รเราก็เชื่อตามที่กุรานบอกว่าล้อหัวลำรายละเอียดเป็นยังไงก็มันก็สูญหายไปหมดแล้วอ่าสรุปก็คือกุรานเนี่ยมาเพียงพอแล้วนะครับในบทบัญญัติต่างๆอันนี้ก็เป็นการศึกษานะที่กุรานบอกเอาไว้ถึงคำพีกอ่อนหน้านี้นะอา่าอายะต่อมาร4 6สีสซอัสซาอัสริฟูอันอายาติยันละดีข้าจะหันเหรบรรดาผู้ที่ยโซ โอหังในแผ่นดินโดยไม่บังควรโดยที่ไม่บังควรเนี่ยออกจากบรรดาอายะของข้าและแม้ว่าเขานั้นจะได้เห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาต่อสัญญาณ น, นั้นอันนี้แปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่าคนเราเนี่ยต่อให้เห็นจะจะรู้ดีเลยว่าเ น, นี้ยมันคือสัจธรรมแต่ถ้าหัวใจไม่รับเนี่ยมันก็ไม่เอา อ่านั้นคนรู้กับคนศรัทธาเนี่ยต่างกันนะคนที่รู้และศรัทธาด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าไปในหัวใจแต่คนที่ศึกษาอิสลามบางคนก็ไม่รับอิสลามก็มีเยอะแยะโอ้โหเป็นระดับด็อกเตอร์เลยเขียนคอลัมน์โอ้ยเขาบอกคนเนี้ยรู้ ร, รู้รู้อิสลามลึกมากเราไปถามดิศรัาปะไม่ศรัทธามันที่ขึ้นไปบรรยายข้างบนเปี้ยงเ ป, ยงเ ป, ยงเปียงเลยเชิญมาบรรยายด้วยเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะโอ้ยอิสลามดีอย่างนั้นอิสลามดีอย่างนี้พูดสารพัดเลยแล้วทําไมไม่รับวะ ยังไม่พร้อมก็ศึกษาอย่างเดียวไงมันก็เหมือนกับเขาศึกษาทั่วไปเนี่ยแหละแต่ถ้าคนที่หัวใจไม่มีความยาโสโอหังยอมซีโรราบต่อร้อนเนี่ยเพียงแค่อายะเดียวหรือเรื่องเดียวเนี่ยเขาก็ายอมแล้วไม่ต้องต้องการเยอะแยะอะไรนะแล้วก็คนที่มารับอิสลามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาพิสูจน์อย่างหนึ่งคือการขอต่อพระเจ้า ชี้ขึ้นไปข้างบนเลยถ้าพระเจ้ามีจริงของอย่างนี้แล้วก็ได้นะแล้วเขาก็จตท า, าคือเป็นการตามหาอาลลอตาและโดยการพิสูจน์แล้วก็ศึกษาแล้วก็หัวใจก็ยอมรับการนี้อาย่านี้ก็ชัดเจนบอกว่าคนที่โ อ, โอหังยะโูโอหังเนี่รู้สัจธรรมแต่ไม่รับพ่อเลยเพราะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าแจ๋วกว่า ว่าอียาเรากุลอวยะแม้ว่าเราจะให้เห็นทุกสัญญาณหมดเลยและยุมีนูนะบิดายุมีนูบีฮาเขาก็ไม่ศรัทธาต่อมันว่าอียาเราซาบีและรุชดีและหากว่าเขาเนี่ยเห็นเห็ น, หนขนทางที่ถูกต้องรุชรอชีดอ่าฉลาดหลักแหลมไปว่ารุชเนี่ยไปว่าฉลาดก็ได้เห็นเห น, นทางที่ถูกต้องและยะตะคีรูหู่ซาบีลาเขาก็จะไม่ยึดมันเออ วัยอี้เอาซ า, าบีและก้อยและหากพวกเขาเห็นทางที่ผิดทางเนี่ยทั้งรู้ว่ามันไม่ถูกอบอายามุกต่างๆไม่ดีรู้หมดแหละยึตะคีรุซาบีแต่เขายึดเอานี่เอองงไหมอย่างสามวัยคนที่ไปดูดยาบ้าเนี่ยไม่รู้เลยยาบ้าเนี่ยของไม่ดีมันนึกว่าเป็นอะไรวิตามินอ่ะวิตามินซีอ่ะสมมุติสมมุตินึกเฉยๆเมื่อตอนที่ไปจะดูดยาบ้าเนี่ยมันนึกว่าเป็นวิตามินซีเหรอ มันก็รู้เนะี่ยเป็นยาบ้าแต่มันจะดูดทําไมอะ่ะใจมันชอบเออน้ําท่อมเนี่ยก็ไม่บอกเลยไอ้ลาไส้ตะตันเนี่ยไม่ใช่ผักอะไรนะผักของผักปลไม้รวมนี่มันก็รู้หมดแหละถามไม่รู้เหรอมรู้แต่ว่าใจมันชอบเนี่ยตามมายา t h i เลยอ่าจะบอกยังไงว่าอันนี้ของถูกของดีมันก็ไม่เอาอันไหนของไม่ดีมันเอาเลย เอาล่และหาพวกเขาเห็นทางที่ความผิดเขาก็มายึดมนันนั่นแหละก็เพราะว่าพวกเขานั้นได้ปฏิเสธบรรดาอายะของเราและพวกเขาจึงกลายเป็นผู้ที่หลงลืมอายะเหล่านั้นอ่าเอาบอกต่อว่าวันลดีในกาซาบูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอายะของเราเครื่องหมายของเราและการพบกับวันปรโลกนั้นบรรดาการงานของเขานั้นย่อมไร้ผลฮาบียต สุดท้ายคนเหล่านี้เนี่ยจะยอมเอาล่อในวันไหนรู้ไหมวันที่สายไปแล้วก็คือวันจะลงนรกแล้ววันไปยืนอยู่หน้าหลุมนรกนั่นแหละยอมแล้วอ่าก็คือจะขอละผลผลผลและผ่อผันและจะขอรอขอไปทำความดีใหม่อะไรเงี้ยนะอัลลอ์บอกว่าฮะเบตต์อามมาลูฮุมไอการงานที่ทำดีเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกระตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่อ่าไปบริจาคช่วยเด็กกำพงกำพาช่วยน้าท่วม นี่น้ำท่วมอยู่ไปช่วยเลยแต่ไม่ได้ศรัทธาต่อร่ไม่ได้เชื่อว่ามีการมีอยู่ขอร่ฮาบิสตอดอามาหรืหุมความดีพวกนี้เอาเราไม่ให้เลยวันกิยามัดไม่ได้แต่เราจะให้แค่ดุนยาดุนยาเขาจะได้แค่ดุนยาจะไม่ได้โลกหน้าเพราะโลกหน้าเนี่ยต้องมีฐานของอี إ ม م ا ن ศรัทธามันเป็นเริ่มต้นอือ่าถามมาดีไม่เขาไปช่วยน้ำท่วมดีอลลอดีหมดแหละแต่ว่ามันได้แค่โลกนี้ ท่านยุติยาเจ้าณอิลเลมากานูยะมาลูนและพวกเขาจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่เคยกระทําเอาไว้อ่าตรงนี้เองพี่น้องครับอยายะนี้เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เนี่ยคือฐานอันนึงที่อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคือคนไม่รู้ใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่รู้แต่ประเด็นว่าส่วนใหญ่ที่ทําไม่ถูกอยู่เนี่ย ไม่รู้ทังไม่รู้จริงๆหรอือรู้ทั้งนั้นแหละเออแต่ด้วยกความอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาไม่เอาอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธซึ่งเอารอดบอกแล้วว่าศา ส, สนานี้เนี่ยถูกคัดสรร น, นะไม่ใช่คนใครก็ได้เข้ามาต้องคนที่มีหัวใจที่ดีถ้าหัวใจไม่ดีหัวใจเลวเนี่ยคุณอยู่ศาสนานี้ไม่ได้แอบเพราะศาสนานี้เนี่ยคิดดีทดําดีให้ความบริสุทธิ์ใจต่อลอตายแหละไม่ต้องการที่พึ่งพาใดเละเว้นแต่เอารอดเท่านั้น บรรดาผู้เทียโสโอหังถูกห้ามจากบรรดาอายะของ Allah. อัลลอฮ์อ่าเขาบอกนี้นะว่าและหากพวกเขาเห็นความถูกต้องเขาก็จะไม่ยึดถึงมันคือทางแห่งความถูกต้องหรือทางแห่งความปลอดภัยที่ปรากฏแก่พวกเขาพวกเขาก็จะไม่เดินไปทางนั้นและถ้าหนทางแห่งความหายนะหลงผิดมาแล้วก็เขาก็จะยึดเอาทางนั้นเอ่ดังนั้นเองอัลลอฮ์จึงให้เขานั้นหลงทางอ่านต่อนะ วัดทั้งข้าศัตรูมูซ่ามิ่งเบื้อِดีมิ่งพุลีหิมอิจแลยาสเดลเลห์หุวารวัด قَوْمُ م ُ و س َ ى ม مِنْ ب ิ ع ْ د บ ه ِ مِنْ ح ُ ل ِ ي ِลีหิม ألم يرواأنه َّ لا يكلمهم ُ ولا يهديهم سبيلا ألم يرواأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أ, ا ت خ ذ و ه ك ن ََُ ا ل ِِ ي ن َ إ ََُِّ ا ل ِِ ي ن َ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ و َ ر َ أ َ و ْ ا أَنَّهُمْ ق َ د َُّّ و ا قالوا ل َ ئ ِ ن ل َّ م ْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ อ้าวมาดูความหมายนะครับเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกแล้วเนาะสัญญาณต่างๆที่อัลลอห์ให้มาเนี่ยต่อให้เขารู้คนมันไม่เอามันก็ไม่เอาเออทางไหนที่เป็นทางที่มันปลอดภัยกับไม่เลือกไปเลือกทางหายนะอ่านั้นผมว่า Allah, อัลลอฮาผมผมว่านะในในอัลลอ์ให้สติไมจ๊ะผมว่าในใน ในการสร้างของลอสุบฮาห์นหัวตาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีสัมมันสํานึกอยู่แล้วว่าอันไหนดีไม่ดีการกระตันยูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณเป็นเรื่องดีอ่าแม้กระทั่งอาหารการกินเนี่ยมนุษย์เราก็รู้ว่าอันไหนกินแล้วมันดีต่อร่างกายอันไหนกินแล้วเป็นโทษอ่าคือมีสติปัญญาในการแยกแยะอันไหนดีไม่ดีดังนั้นสิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นความดีทั้งนั้นแหละ และอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามก็เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยวัตตะคอรูเกาโม่สซาและกลุ่มชนของมูซาก็ได้ยึดเอาลูกวัวได้ยึดเอาลูกวัวที่เป็นรูปร่างซึ่งทำมาจากเครื่องประดับฮุลี่หิม ฮุลยาเนี่แปลว่าเครื่องประดับก็ทามาจากเครื่องประดับนะอิจจารันยะสัดุลคือตัวของมันเนี่ยทำให้เป็นรูปร่างขึ้นมาเรียกว่าควาร์ควาร์ก็เป็นเป็นอะไรเป็นรูบัวที่มีเสียงอ่ามีเสียงด้วยซึ่งรูบัวนั้นนี่ยมันมีเสียงร้อง ด้วยกับเทคนิคของคนทำหลอทำให้มันมีช่องลมพอลมมันผ่านมันก็เลยมีเสียงคิดนั้นแหละเหมือนกับลักษณะของการเป่าตแตรเป่าอะไรเงี้ยเอาลมเป่าเข้าไปมันบีบกันเป็นเป็นลักษณะของการกดเสียงมันก็เลยเป็นเสียงขึ้นมาอ่าเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่าอาลามยาเราอานาฮูและยูกัลลิมุม เขาไม่ได้เห็นออกว่าเท้จริงมันพูดกับพวกเขาไม่ได้รู ป, ปันเนี่ยวาลยะดีหิมซบีลาและมันก็ให้คำแนะนำใดๆได้ไหมไม่ได้ด้วย <c oughs> มีคำแนะนำอะไรบ้างไม่มีอ่ามีแต่มีแต่คำแนะนำให้บูชายอย่างเดียว <c oughs> คำคาสั่งใช้เลยไม่มีอิตตะโคซูฮู พวกเขาก็ได้ยึดเอาลูกวัว น, นั้นเนี่ยแบบไห น, นยึดเอาลูกนว น, นั้นเป็นที่เคารพ บ, บูชาและพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ที่อาธรรมวันแลมาสูกีตตและเมื่อเขาได้เสียใจต่ อ, อ ก, การกระทำฟีไอดีหิมนะว่าเราเอาอันนาฮุมก็ตะดอนูและได้เห็นว่าพวกเขานั้นได้หลงผิดไปแล้วไอ้ที่ทำก็ทำมาจากน้ำมือของตัวเองะ พวกเขาจึงกล่าวว่าแน่นอนถ้าหากว่ากอลูและอินลำถ้าหากว่าพระผู้อวยพนของเราไม่ได้เมตตาแก่เราแล้วแล้วก็และเราก็ไม่ได้รับการอภัยโทษแก่เราแน่นอนเราจะตกอยู่ในผู้ที่ขาดทุนอ่าคนที่ทำเรื่องนี้อยู่ในซุรอตตาา์ฮาชื่อว่าอัามิรีอัามิรีเป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีแล้วก็ทำไอ้รูปปั้นวัวนี้ขึ้นมาอ่าพอ เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะขัวอแปลว่าเสียงร้องของวัวการกระทำดังกล่าวนั้นได้กระทำขึ้ น, นหลังจากนาบีมูซาได้มีกำหนดเวลาไปพบพระบุบาลก็คือ4ี่ิบวันนะและบรรดานักอธิบายอันกูราาได้มีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องรูปวัว น, นี้ว่าหนึ่งมันกลายเป็นเนื้อมีเลือดมีเสียงร้องไหมหรือเป็นแค่รูปล่อขึ้นมาจากทองคำนะทัศนะที่สองเนี่ยมีน้าหนักมากกว่าคือเป็นรูปล่อจากทองคา และก็มีเสียงร้องขึ้นมาว่าล่อวัวไอ้แหลมกล่าวว่าวงวาวอิสตรออินนั้นเมื่อลูกวัวที่บุคคลลอขึ้นมีเสียงร้องได้พวกเขาก็เริ่มเต้นรำกันสนุกสนานวอวอกเลยนะวนรอบรวบวัวอย่างน่าทึ่งแล้วก็บอกนี่คือพระเจ้าของเรานะและพระเจ้าของมูซาได้หลงลืมเราไปแล้วไปแค่สี่สิบวันในบ่อนลอดลืมแล้วหาพระเจ้าใหม่แล้วอ น, นี่คือความโง่เขลาบาบัญญาของพวกนี้ จบจบแล้วจ้ะพวกเขาได้ตำหนิทรงตำหนิพวกเขาจากการกราบไหว้รูปบัวเพียงแค่มีเสียงร้องเท่านั้นแหละคิดว่าเป็นพระเจ้าเลี้ยวเอาเราบอกพูดก็ไม่ได้ให้ทางนำอะไรก็ไม่ได้นะแถมยังเสียเงินเสียทองบูชาซะอีกอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ นบีมูซานะครับเดี๋ยวข้าหน้าเนี่ยก็จะต่อละพอนบีมูซามาเจอแล้วจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรนะครับวันนี้จากราเน่้นี้ครับซุบฮนะกลอฮมัวบิฮัมดีกัดวัลาอิลาฮิลลต้อัสตัฟิกะวะตูบยอัสสลามุอะลัยกุมมอะห์ตุลลอฮ์วะบรากะต